ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในยามกลางวันเนี่ยเราอยู่ภาคเหนือหรืออยู่ภาคใต้มันก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมเพราะเห็นในสิ่งเดียวกันฉันใดพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายก็เห็นนิพพานเหมือนกันฉันนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะมีแต่ชื่นชมพระสา ว, ทาททออท ว, วกาวทั้งหลายที่แทงตลอดอริยสัจแล้วและก็สาวกทั้งหลายที่แทงตลอดอริยสัจแล้วเมื่อท่านเห็นพระนิพพานท่านเหล่านั้นจะนึกถึง พระพุทธเจ้าเพราะว่าที่ท่านเห็นพระนิพพานได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะเนี่ยนะท่านได้เห็นพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าส่งชี้แนะท่านเหล่านั้นจึงบูชาพระพุทธเจ้าอย่างถ้อยคําที่สรรเสริญสังขารุสติเมื่อกี้เนี่ยนะโดยมากแล้วเป็นแนวของภาษารีบุร ท, ที่ท่านแนะนำเอาไว้นะเป็นโดยมากแล้วพื้นฐานมาจากภษารีบรซึ่งภาษาดีบรเป็นผู้ปฏิบัติดี ทีนี้ในบรรดาผู้ปฏิบัติดีมีปัญญาเท่าภาษาดิบจะเป็นผู้ที่ชื่นชมพระพุทธเจ้ามากที่สุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะท่านไปอยู่ที่ใดก็ตามสิ่งที่ท่านไม่ลืมเลยคือคุณของพระตนะไตรโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามคือตัวท่านเองหรือองค์พระพุทธเจ้าจะอยู่ในที่ใดก็ตามใจของเขาก็น้อมไปหา พระพุทธเจ้าแล้วเราทั้งหลายตอนนี้ล่ะถ้าเรามีจิตน้อมไปหาพระพุทธเจ้าบ้างอยากจะใกล้ชิดพระองค์บ้างเราทำยังไงโดยสรีระ่าเราก็ไปกันใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุไปไหว้พระอาทิตย์ธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้โดยรู ป, ปกายทีนี้โดยเรื่องของจิตใจล่ะเราต้องการที่จะเห็นทำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็น พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นรูปนามขันห้าขันธาตุอายตนะในทุกขนทุกแห่งทุกพบทุกภูมิเราก็ไม่มีศึกษาไอความเห็นอันนั้นน่ะลองเห็นตามพระพุทธเจ้าดูแต่ถ้าเห็นว่าดีจริงเราก็ต้องเห็นตามอย่างนี้อยู่เรื่อยไปจะต้องเห็นตามอย่างนั้นจนกว่าจะเห็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าเห็นเพราะว่าจากบุคคลธรรมดาเห็นสิ่งนั้นแล้วเป็นพระพุทธเจ้า อันนี้น่าเห็นมากเลยใช่ไหมเคอผู้ที่เห็นสิ่งนั้นแล้วเป็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นอะไรหนอเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไหมคงไม่พอหรอกอันนี้คือหนึ่งในข้อปฏิบัติใช่ไหมเพราะว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงคือบันไดอีกขั้นหนึ่งในบันไดกี่ขั้นเจ็ดขั้นในบันไดเจ็ดขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งก็ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีล บันไดขั้นที่สองจิตตวิสุทธิบันไดขั้นที่สามทิฏฐิวิสุทธิบันไดขั้นที่สี่กังขาวิตรณวิสุทธิบันไดขั้นที่ห้ามคามัคญาณทัศนวิสุทธิบันไดขั้นที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิบันไดที่เจ็ดพร้อมกับการเปิดประตูเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธินี้ตอนนี้ก้าวบันไดที่เท่าไหร่บันไดที่สาม หวังว่าไม่พลัดตกลงไปหวังว่าจะข้าวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมนะในที่สุดก็จะมองเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นจนได้แต่เชื่อไหมว่าจะต้องขึ้นอย่างนี้อยู่เจ็ดชั้นก็ขอใบขอโทษขึ้นอย่างนี้สี่ชั้นนะเพราะว่าเปิดประตูชั้นแรกเป็นพระโสดาบันใช่ไหมขึ้นบันไดยอย่างนี้ไปอีกแล้วก็เปิดอีกเป็นพระสกท า, าคามีขึ้นอย่างนี้แล้วเปิดอีกเป็นพระนาคามีขึ้นอย่างนี้เจ็ดชั้นแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็น พาหันถึงชั้นที่สูงสุดนะนะเป็นผู้ที่พ้นจากโลกโดยประการทั้งปวงนะนะทนเราก็คงไม่ลืมนะว่ากำลังเรียนบันไดขั้นที่สามเนี่ยนะบันไดขั้นที่สามอยู่ในหน้า28ข้อ674กล่าวว่าส่วนบุคคลใดละการละยะถาภูตยานทัศน์นิเสีย คือละการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเสียละความเห็นว่าเป็นขันธาตุอายตนะนี้เสียไปยึดถือว่าสัตว์มีอยู่บุคคลนั้นยอมรับความพินาศหรือความไม่พินาศแห่งสัตว์นั้นคือทิฏฐิที่อยู่บนพื้นฐานสัตตสัญญาเนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานความสำคัญว่าเป็นสัตว์ไม่สัตสตทิฏฐิก็อุเฉตทิฏฐิมีสองอย่างถ้าคิดว่าสัตว์เที่ยงเป็น สัสตะสิเที่ยงอะเที่ยงเที่ ย, ง, ยงสัตตะถ้าหากว่าศาดศูนย์อุดเฉททิฐิท่านบอกว่าเมื่อยอมรับความไม่พินาศก็ย่อมตกไปในฝ่ายสัตตะคือยั่งยืนเมื่อยอมรับความพินาศก็จะตกไปในฝ่ายอุดเฉทะความขาดศูนย์เพราะเหตุไรเพราะสิ่งอื่นที่ติดตามสิ่งนั้นไปเหมือนนมส้มที่ติดตามนมสดไปไม่มี เมื่อเขายึดถือว่าสัตว์เที่ยงก็ชื่อว่าล้าหลังอยู่เมื่อยึดถือว่าขาดศูนย์ก็ชื่อว่าเล่นเลยไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็สมมติถ้าเราคิดดูนะเออคนนี่คนนี่สัตว์เ อ, อ้คนนี้เขาจะไปยังไงเนาะถ้าเขาตายไปแต่แบบคนทั่วๆไปนะโดยมากคิดแค่ตายใช่ไหมภาษาชาวโลกสมัยใหม่ก็ถือว่าตายแล้วจบจบหรือเริ่ม เริ่มเขาสาทุที่คิดว่าเริ่มไห น, นก็บอกโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ตายแล้วคิดหรือว่าตายมันจบตายคือการเริ่มเนี่ยทางพุทธศาสนาถือว่าการตายคือการเริ่มคนที่ตายแล้วจบผ่าหาันนะนะมีอยู่ท่านเดียวคนที่เหลือคือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกครั้งไปทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นสัสต ถ, ถิฐิเนี่ยนะ พอเวลาคิดถึงตายปั๊บก็เหมือนกับว่ามีใครเดินออกจากร่างแล้วก็เข้าไปสิงหน้าที่ใหม่แล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆๆๆมีอยู่นะตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นอ่ะตัวอะไรเนาะบอกกายทิพย์ไงกายที่มันอยู่ในทิพย์อ่ะอ่ะแล้วมันออกกายทิพย์นี่มันออกตรงไหนก็บอกออกจากตรงหน้าผากเขา่ากงั้นวันนี้ออกไปแล้วมันก็ลอยลอยไปเห็นเออคนนี้เหมาะเป็นแม่เราก็เลยเข้าไปสิงในท้องเขาแล้วก็โตขึ้นนะแล้วก็ออกแล้วก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะ อันนี้ลักษณะของพวกสัสตาทิฏฐิแล้วพวกอุเฉททิฏฐิเขาว่าไงโอ้ยตายแล้วก็หมดกันคิดอะไรมากตายแล้วเอาไปเผาก็หมดเรื่องมรราวไปตายแล้วก็เอาไปเผ า, ก, เ า, า, ก, เ า, เาก็หมดไปเพราะคนนี้ตายแล้วก็จบตายแล้วก็จบพวกนี้แหละเป็นอุเฉททิฏฐิอุเฉททิฏฐิก็สรุปมีสองอย่างนะถ้าถือลัฐที่ว่าสัตมีอยู่บุคคลมีอยู่ไม่อยู่ในสองอย่างนีนะ อย่างเราเห็นเต่ามันตายลอยตุ๊ป๋องตุ๊ป่องอยู่ในน้าเราคิดว่าไงเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วหรือว่าตายแล้วหนอไง่อยตกลงไงดีเกิดใหม่หรือตายแล้วอยู่ในนั้นหอยอติที่มันไปเกาะอยู่ในนั้นต่อไปนะอยู่ในร่างเต่าต่อไปมันกินซากเต่าต่อไปแต่ว่าไ อ, ไอ้ก่อนจะตายเนี่ยนะเต่าทั้งหลายถือกรร ม, มนิมิตคตินิมิต หรือกรรมมะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิสนธิในภพใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะทิ้งคราบอันนี้คราบเต่าแล้วก็ไม่รู้ไปถือเอาคราบอะไรใหม่แต่โดยมากร้อล้านละล้านละศูนจุดหนึ่งที่เหลือทั้งหมดไปสู่อบายตามเดิมหรือดีไม่ดีอาจจะมากกว่านะั้นนะอย่าว่าหนึ่งในร้อยนะหนึ่งในหลายๆ ห, หมื่นล้านน่นะจากเต่ามาสู่ความเป็นมนุษย์น้อยนะ โดยมากก็จากเต่าสู่เต่าจากเต่าสู่ปลาหรือจากเต่าตกนรกต่อไปเนี่ยก็มีอยู่อย่างนี้โดยมากก็เป็นอย่างนั้นเพราะะฉะนั้นก็เริ่มต้นใหม่ได้ก็จะเห็นตายปั๊บเนี่ยชีวิตได้เริ่มต้นใหม่แล้วเนาะเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วจะไปเริ่มที่ไหนเนี่ยในภพสามกำเนิดสี่ทีนี้พวกพวกสัตตก็ถือว่าเที่ยงไปเลยเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ถือว่าชีวิตนิรันดร์ชีวิตอมตะ ชีวิตที่ไม่ตายมีอยู่หรือถ้ามีชีวิตและชีวิตไม่ตายไม่มีหรอกแต่เขาเชื่อว่าเมื่อไปอยู่ที่นั้นแล้วเลิเลกตายจริงไหมไม่มีจริงอ่ะนะเป็นความคาดคะเนของคนเขลาทั้งหลายที่เดาเอาว่ากะเอาว่าเมื่อไปถึงณจุดนั้นแล้วฉันจะอมตะเอาอะไรเนเอะอมาตะเอารูปหรืออมตะก็รูปย่อยยับสลายไปเอาเวทนาหรือมาเป็นตัวอมตะเอาสัญญาเอาสังขารหรือเอาวิญญาณเป็นตัวอมตะละ แล้วถ้าคิดว่าศูนย์่ะเอาศูนย์เอาทศมรรษถ้ า, ถาเออเนี่ยคนนี้ตายแล้วก็จบเลยแล้วกรรมที่เขาทําไว้ก่อนตายเอาไปทิ้งไว้ไหนถ้าตายแล้วจบนะกรรมที่เขาทำเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเหตุนี้ผลนี้เชื่อมโยงกันไปแต่พวกผู้ที่ไม่ทําปริญญาหรือไม่เจริญความเห็นทําความเห็นของตัวให้บริสุทธิ์ก็จะถือว่าสัตว์มีบุคคลมีถือว่าสัตว์เที่ยงสัตว์ศูนย์ อันนะั้เหมือนกับว่าฆ่าปลาฆ่าเสร็จ น, น, นะนะทุบหมวปลาตายไปแล้วก็ปลาก็จบกันใช่ไหมบางพวกพวกสัสตร้านี้เลยเธอเด็กบอกส่งปลาไปเกิดใหม่เหราอนกันะพวกนี้ฆ่าด้วยที่ถี tn นะส่วนใหญ่ก็ทิฐิเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแห่งสรุป น, นะก็เอาไม่ละคนอื่นส่งเราไปเกิดใหม่บ้างไม่เอาอ่ะนะถึงกับป่วยแทบตายอยู่ก็ยังไม่อยากไปเกิดใหม่นะก็ยังอยากอยู่อยู่นั่นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองอย่างกลุ่มรุมแล้วพวกหนึ่งล้าหลังอยู่พวกหนึ่งเล่นเลยไปส่วนพวกที่มีจักษุย่อมมองเห็นดูก่อนพิสูจทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งล้าหลังอยู่อย่างไรดูก่อนพิสูุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มีพบเป็นที่มายินดียินดีในพบบันเทิงในพบเดี๋ยนะพวกนี้สดชื่นไปหมดเลยใช่ไหม ค่ายอะไรค่ายก็ไปในห้างอย่างนั้นแหละยินดีไปหมดเลยอู้อะไรก็สวยงามไปหมดอย่างเงี้ยทีนี้พอตอนนั้นถ้าเกิดได้ยินเสียงทำแว้าขึ้นมาบนนั้น น, นะนะจะว่าไงเมื่ อ, อเมื่อสถาคตสแสดงธรรมเพื่อความดับภพบจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปดูก่อนพี่สูจน์ทางร้ายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งชื่อว่าล้าหลังอยู่อย่างนี้แหละ ทุกอย่างมันน่าเพลิดเพลินไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ดับเธอดับเธอเอาไหมคล้ายๆอย่างนี้นะว่าเหมือนกับมีรายการทีวีอยู่รายการหนึ่งที่ชอบอยากดูแทบอู้อยากดูมากทุ่มเทใจจดใจจ่อรอเวลาที่จะดูไอ้รายการนี้มานานเต็มทีแล้วบอกปิดเธอปิดเธอขอปิดเธอเนี่ยเอาไหม นี่ก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมโอ้ยทาบุญมาแทบตายเพื่อจะได้มีรูปสวยๆเสียงโครบโครกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆ อ, อ, อ, อ, อยู่ๆแล้วผู้เจ้าบอกก็ดับเธอฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ตัดซะเถอะตัดใจซะเถอะพอแล้วไม่ดีหรอกไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกเปรียบเหมือนอย่างว่าถ้ามี เ, าเรือเดินทะเลที่หาความสุขในทะเลเรียกเรืออะไรไเรือสำราญใช่ไหมถามว่าเรือเดินทะเลที่ไปท่องเที่ยวชีวิตมีความพาสุขอยู่ในทะเลเนี่ยนะ กำลังป้ายลอยล่องไปตามนะเรื่อยๆมีคนบอกขึ้นบกเธอรีบขึ้นบกก็ไม่รู้จะขึ้นทำไมเสียเงินมาเป็นหมื่นเนี่ยเพื่อจะมาหาความสุขบนเรือสำราญแต่คนที่ชวนขึ้นบกเขารู้แล้วว่าอีกสามชั่วโมงข้างหน้าเรือลำนั้นจะระเบิดและจมทะเลเนี่ยนะก็บอกไม่ได้ไม่ได้ลงทุนทุกอย่างเนี่ยหาตั๋วขึ้นมาเพื่อจะมีความสุขอยู่ในเรือสำราญก็เลยลอยไปอีกสามชั่วโมงก็บลา บรรลัยจากสวรรค์เนี่ยนะจะถูอบายต่ออยนะ่างนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่สอนให้ออกจากวัตตะด้วยเหตุผลเหล่านั้นแต่พวกที่ถือว่าตัวเองเนี่ยยั่งยืนอมตะมั่นคงถาวรไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไงตายไปตั้งเยอะแยะไปหมดอันพวกนี้เข้าใจผิดก็นึกว่าชีวิตของตัวนี้เที่ยงอมตะยั่งยืนเป็นชีวิตนิรันดร์ไอพวกนี้ล้าหลังอยู่มันชวนศึกษาธรรมะไม่เอาโดยประการทั้งพวงเขบอกไงนะบอกรอแก่ๆก่อน เอาอะไรเป็นเครื่องวัดนาะขาวงากันนะบางคนเข า, าขว่าคําว่าแก่ของเขาคือรอกเกษียณก่อนนะก็นนกินข้าวผัดต่อไปเถอะผัดไปเรื่อยเนี่ยนะพวกนี้ลาหลังอยู่นะโอ้ยเหมือนกับว่าชีวิตของตัวอีกน้อ น, นานพอมาอีกครั้งหนึ่งลืมตาจะเห็นมองพระตยัยปิฎกไม่ค่อยจะเห็นแล้วเนี่ยหูก็ออะไรหน้าอย่างงี้ยนะไม่ค่อยได้ยินก็ว่ากันน้นนะมันก่อนยมพอเล่าให้ฟังไม่รู้พระท่านเทศอะไรไม่ค่อยได้ยินเลยพูดไม่ค่อยดังเลยไม่ค่อยได้ยิน นะนพ่อก็ไม่บอกว่าหูไม่ค่อยดีอ่ะนะจะบอกว่าท่านพูดไม่ค่อยได้ยินจะบอกว่าตัวเองเอไม่บอกแลนวมาตัวเองหูไม่ดีจะบอกว่าท่านพูดไม่ค่อยได้ยินเลยว่างั้นนะะคนอื่นเข้ามากันเป็นร้อยๆเขายังได้ยินอ่ะนะมีอยู่คนเดียวที่ไม่ได้ยินก็เป็นอย่างนี้แล้ววตะดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปอย่างไรก็เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแหล่อึดอัด นายแห น, แนงรังเกียจอยู่ด้วยพบย่อมยินดียิ่งซึ่งวิภพคือความขาดศูนย์อันเป็นเหตุให้พวกเขากล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ้ยทราบเถิดว่าหลังจากตายหลังจากกายแตกทำลายตายไปอัตตนี้ย่อมขาดศูนย่อมพินาศย่อมไม่มีหลังจากความตายความขาดศูนนี้เป็นสิ่งสงบความขาดศูนนี้เป็นสิ่งประนีความขาดศูนย์นี้เป็น มีความมีตามความเป็นจริงดูความพิสูจนทั้งหลายเทวดาและพวกมนุษย์พวกหนึ่งเล่นเลยไปอย่างนี้แหละคือพวกนี้ถือว่าตายแล้วก็สบายใช่ไหมตายแล้วก็โอยหมดภาระ นะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมตายซะเถอะตายแล้วชีวิตก็เป็นความสุขสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะคือเมื่อหลังจากตายไปแล้วเนี่ยแหละคือความสุขที่แน่นอนสุขที่ยั่งยืนคุณไม่ต้องไปทุกข์แบบนี้อีกแล้วนะไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องเป็นไข้ไม่ต้องไม่สบายไม่ต้องทํามาหากินเมื่อตายแล้วก็จบหมดสบายหมดมันความตายนี่ดีสิเห็นไหมคนเขาตายเลยเห็นเขากลับมาเลยว่เาเขาตายแล้วเขาไปสบายพวกนี้เป็นพวกอุดเฉททิ่ที ไม่รู้ว่าผลักจากนี่แล้วไปโผล่ที่ไหนก็ไมู้นะผลันี่โผล่ไหนอ่ะโผล่ผิดที่คลอดออกมาตีหนึ่งโอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยนะติดเชื่อมาด้วยเดี๋ยวนี้ยุ่งมากเลยนะไม่รู้ว่าโผล่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะก็ต้องไปคิดให้ดีๆนะพลักที่นี่แล้วโผล่ที่ไหนเนอนึกว่าผลักยุบไปแล้วนึกว่าเรียบร้อยที่ไหนได้เริ่มใหม่แล้วนะนะเริ่มตรงไหนเนอะพันเอ่อพวกผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ศึกษาเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิแต่พวก สัตตติถิเขถือว่าโหตายแล้วมีใครออกไปจากร่างเขามีบอกด้วยนะออกตรงหน้าผากก็ว่างั้นะถ้ามีคาถานะไร่ถูกแล้วมันจะไปนู่นสวรรค์พอดีเป๊ะเลยต้องมีคาถาแต่ว่าต้องจ่ายค่าคาถาหลายพันอยู่เหมือนกันนะนะวิญญาณจะได้ออกถูกทางแล้วเรียกว่าเขารู้รหัสรับสวรรค์กขว่างั้นนะอออืืแน่ใจนะคนพูดเนี่ยไปสวรรค์แน่เท่าที่ฟังเสียงพูดแล้วไม่น่าจะได้ไปสวรรค์หรอกถ้าพูดอย่างเนี้นะ หลอกลวงกันชัดเจนเนี่นนะส่วนพวกที่ถือว่าตายแล้วศูนย์ก็อย่างว่านะก็น่าเห็นใจต า, ตายแล้วก็ศูนย์จบกันบางคนก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนเอ้ยรีบบริโภคกามให้มันเต็มที่เธออีกหน่อยเราก็ตายกันหมดแล้วเนี่ยนะรีบกินรีบเที่ยวรีบใช้ให้มันหมดให้มันมีความสุขที่สุดเดี๋ยวก็ตายแล้วว่างั้นเออพวกนี้ก็มีอีกใช่ไหมถือว่าตายแล้วจะได้เลิกสวยความสุขสักทีหนึ่งก็จบกันนึกว่าตายแล้วจบ ก็เลยรีบไปทำบาปบาปที่ไหนยังไม่ได้ทำก็รีบไปทำบาปให้มันเต็มที่เลยนะนนเช่ไหมก็บอกว่ารีบไปสั่งอาหารเป็นๆอ่ะ น, นะเอเอาตัวนั้นแหละค่าตัวนั้นจะได้กินให้มันอร่อยที่สุดน่ยนะก็เลยรีบไปทำปาณาติบาต ท, ที่ยังไม่เคยทำก็รีบทาบางพวกก็รีบสแสวงหากาเมสุมิจฉาจารมหาการเมจะได้ทาบาปที่สุดเท่าที่จะบาปได้ก่อนจะตายเนี่ยนะขอให้ได้ทำบาปให้มันเต็มที่เถอะ น่าสงสารขนาดไหนเขาไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครก็เลยนึกว่าตัวเองก็เดี๋ยวก็จบหมดแล้วอย่างเงี้นะมีไม่ใช่น้อยเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รีบทำบาปจริงๆเลยนะรีบทำบาปก่อนตายกลัวคนอื่นจะแย่งเอาไปทำหมดเนี่ยนะวันนึกว่าตัวตายแล้วศูนย์ใช่ไหมแต่พื้นฐานความเห็นความคิดเหล่านี้เกิดจากไม่ทำปริญญาอะไรเลยไม่เกิดจากการไม่ เข้าไปกําหนดแยกแยะว่านี้ขันนี้ธาตุนี้อายตนะนี้ทุกขสัจจะนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะนี้รูปนาฬิรูปประธรรมนี้นามธรรมรูปประกอบด้วยภูตรูปอย่างนี้นามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเวทนาเป็นเช่นนี้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นเช่นนี้ขันห้าเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเช่นนี้เช่นนี้เขาก็ไม่รู้แต่ผู้มีปัญญาก็จัก รู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเทวดาและพวกมนุษย์ที่มีจักสุคือมียาณะจักสุมีปัญญาจักสุย่อมมองเห็นอย่างไรดูก่อนพิสูนทั้งหลายภิกูุในพระศาสนานี้ย่อมเห็นพูดพูดในที่นี้คือขันธ์ห้าตามความเป็นพูดคือเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นขันธ์ห้าเห็นรูปนามโดยความเป็นรูปนามเห็นธาตุโดยความเป็น เห็นอายตนะโดยความเป็นอยายตนะขันเห็นพูดคือขันธาตุอายตนะโดยความเป็นพูดคือขันธาตุอายตนะแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในขันธาตุอายตนะย่อมปฏิบัติเพื่อคลายกำหนัในขันธาตุอายตนะย่อมปฏิบัติเพื่อดับเสียซึ่งขันธาตุอายตนะอ่เพราะพูดตัวนั้นคือขันธาตุอายตนะนั่นเอง ก็ตามสูตรใช่ไหมอริยาสาวกผู้ดได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเพราะจิตหลุดพ้นชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นที่ควรทําก็ได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอย่างเงี้ยอันนี้คือสูตรของเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหม หรืออีกถ้าเป็นอายตนะจะว่าไงย่อมเบื่อนายแม้ในายจักสุย่อมเบื่อนายแม้ในโสตะย่อมเบื่อนายแม้ในาคานะย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อนายแม้นกายะย่อมเบื่อนายแม้นมโนเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นอันนี้คือสูตรของเข้าเป็นอย่างนี้จริงๆทั้นคนที่รู้จักขันธาตุอายตนะตามความเป็นจริงก็จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในขันธธาตุอายตนะ ฟังแล้วเนี่ยมันมันต้องปฏิบัติให้เบื่อหน่ายแสดงว่ามีปกติไม่เบือ่อเอาถ้าถ้าต้องทําให้เบื่อก็แสดงว่าไม่ได้เบื่ออะไรเลยเนี่ยนะเพราะถ้าถามจริงอะใครรู้มีความรู้สึกเบื่ออาหารเต็มทีแล้วได้เวลากินอีกแล้วมันน่าเบื่อจริงๆเนี่ยเบืออ่อแล้วต้องกินอาหารอร่อยที่ตัวเองชอบมาแน่ใจนะเบื่อแล้วเกินเนี่ยสมมติอะ ใ, ใครชอบทานเค้กใช่ไหมสมมตินะโอ้เบื่อแล้วเกินต้องทานเค้กอีกแล้วนันเนี่ยอย่างงี้ย เบื่อแล้วเกินต้องไปนอนอีกแล้วอย่างเงี้ยตรงกันข้ามาเลยเพราะฉะนั้นนะจะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยนะเบื่อจริงๆถึงวันหยุดอีกแล้วเนี่ย น, นะรอมาตั้งนานอย่างรู้ก็ก็ว่าโดยรวมๆแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินในพบยินดีในพบมีพบเป็นที่น่ายินดีเบื่อแล้วเกินที่จะเห็นอย่างเงี้ย น, น้อยนักที่จะเป็นอย่างนั้นนะ เบื่อเลือเกินที่จะฟังได้ยินเบื่อเลือเกินที่รู้กลิ่นเบื่อเลือเกินที่รู้รสเบื่อเลือเกินที่มีกายเบื่อเลือเกินที่มีความคิดเบื่อเลือเกินมันจะคิดไปถึงไหนเนี่ยเนีนียโอยถ้าใครเป็นอย่างนั้นได้ปัญญ์ทบุญอะไรมาเนาะทาไมมีปัญญาขนาดนั้นเห็นว่าตาหูจมกูกเลนกายใจหน้าเบื่อหน่ายเพราะปกตินี้ไม่เบื่อเลยนะไม่มีคําว่าเบื่อชวนไปที่ที่เราไม่เคยไปดูสิอันนัที่ที่คิดไว้นานแล้วว่าอยากจะไปยังไงนะ นะน้อยนักที่จะเบื่อแล้วก็อยากจะหเห็นไปเรื่อยสิ่งที่เห็นแล้วก็ขอให้ผ่านไปสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เห็นก็ขอให้ได้เห็นต่อไปสิ่งไหนที่เคยฟังมาแล้วก็จงผ่านไปสิ่งใหม่ๆก็ขอให้ได้ยินได้ฟังไปเรื่อยนี่คือปกติของโลกอะนะอะไรเคยกินแล้วก็จงผ่านไปอะไรอไร่อยอร่อยหามาใหม่ๆไปเรื่อยอย่างเงี้นะเนี่ยคือพวกที่ยินดีในพบมีพบเป็นที่มายินดีลักษณะของผู้ยินดีในวัตต มันจะต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่ว่าถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายกําหนัดออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมีโทษอย่างไรก็อุปมาณเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะก็ถ้าหากว่าคือเขามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พระประเจกพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระโพธิสัตว์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นกําลังผู้มีความสุขมัวเมาเพลิดเพลินในเพราะาตัวเองเป็นพระราชาใช่ไหม เป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ปกครองบ้านเมืองแผ่นดินใหญ่โตนเนี่ยนะก็มีบุตรมีภรรยา ม, มีทรัพย์สินมีอะไรสมใจปรารถนาหมดพระประเจกเพื่อนเก่าก็มาชวนบอกว่าเพื่อนเอ้ยบวชเธออะไรงี้ยนะก็ชวนบวชก็บอกท่านผมบวชไม่ได้หรอกผมเนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณกําลังอยู่ดีมีสุขให้ท่านแนะนําผมมาข้อปฏิบัติเพื่อไปสวรรค์เธอกะไรเงี้นนะจะมาชวนผมบวชเลยอนนะไรเงี้ยทีนี้พระประเจกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไงี้ย ก็เล่าว่ามีกาอยู่ตัวหนึ่งมันบินบินไปไปเห็นซากช้างเข้ามาดีใจใหญ่เลยโอ้โหได้ช้างตัวบาร์ดัมแน่นะชาตินี้ไม่อดตายแล้วเนี่ยนะเราได้ซากช้างทั้งตัวหนึ่งใช่ไหมกาตัวนิดเดียวใช่ไหมซากช้างตัวบาร์ดัมลอยอืดขึ้นมาเต็มที่มันก็จิกกินกินเสร็จ ก, ก็กินน้ำํำกักน้ำกินแล้วก็นอนอยู่บนซากช้างนะ่ะไม่ต้องไปไหนแนละ้วเขาเรียกว่าหล่นเขาเรียกว่าหล่นทับซากแล้วอ่ะนะ หาอาหารมาทเรียกว่า บ, บินมาทุกวันก็เพื่อจะหาซากแบบนี้แหละมาเจอวันนี้ก็เลยดีใจใหญ่ก็เลยเกณฑ์ไปเกาะไปนอมีความสุขอยู่บนซากช้างและซากช้างเนี่ยนะมันตายแลอยน้ําเนี่ยมันน้ําชนิดไหนจะลอยได้ใหญ่น้ําใหญ่เท่าแม่น้ําคงคาแม่น้ำเจาา้าพายำก็ลอยไปเรื่อยเลยมันลอยไปไหนลอยขึ้นเขาใช่ลอยลงทะเลนะนี่มันก็ลอยไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรืยโอ้ยวันที่หนึ่งสองสามผ่านไปกาก็กิกนแฉกจะอริดอร่อย วันที่ห้าผ่านไปไล่ไปถึงทะเลได้สามกิโลเมตรเนี่ยนะอ้ยสบายมากอะนะอาหารก็ยังอีกเหลือเฟือก็เลยลอยไปตามไล่ไปเรื่อยๆไลไปประมาณเป็นร้อยกิโลไปแล้วเนี่ยนะห่างจากฝั่งร้อยกิโลอะไรจะเกิดขึ้นอีการหน้าโ้ยหน้ายินดีด้วยมากเลยในตอนแรกที่ได้ซากช้างตัวบริร์มแต่ว่าซากช้างข้างล่างเนี่ยนะพวกปลาพวกอะไรมันก็กัดมันก็เกือบจมเลยใช่หถามว่าถ้าจมในกลางทะเลแล้วอิกาจะบินไปไหน ก็บินจมน้ำนั่นแหละเกาะที่ไหนอ่ะนะเพราะทะเลเนี่ยที่มีเกาะ ม, มีน้อยนักเนี่ยนะโดยมากเกาะไม่มากนักก็เลยจมทะเลตายเนี่ยนะเพราะตัวเองก็อ้วนบึกเลยใช่ไหมกินมากก็เลยอ้วนบึกเพราะไม่ได้บินไปไหนนี่ก็อยู่กับซากเ บ, บิ้ลบึกเลยก็เลยไม่ไปไหนเลยในที่สุดก็เลยจมทะเลเลยชั้นใดก็ดีผู้ที่เพลิดเพลินโดยที่ไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จกัจกบุญจักบาปบริโภคเบญจา ก, การมคุณเต็มที่ตายแล้วก็ ไล่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกไในของมา ย, ยังเคยคิดตออีกนะเอ๊ถ้าเราเกิดเป็นปลาเนี่ยนะนั้นเขาจะอ า, อาหารมาให้เรากินสักทีที่เหลือก็พร้อมแล้วปลาทั้งหลายมันอยู่นิ่งไม่ได้นะถ้านิ่งแล้วเดี๋ยวมันตายนะที่ทาไมมันจึงตายรู้ไหมเพราะทุกตัวมันหาอาหารตัวไหนนิ่งเอนื่กว่าตัวนั้นตายเดี๋ยวก็ถูกขมึบหมดนะเพราะาปลานี่จะมีการขยับตัวอยู่ตลอดเวลาพวกสัตว์เดรัจฉานนะมันเป็นสัตว์ที่เราแวงที่สุด ใครเคยล่าสัตว์นี่จะรู้เลยว่าสัตว์ทุกตัวระแวงหมดเลยมันกลัวมากเลยนะมันกลัวอันตรายเพราะมันจะต้องพยายามที่จะรักษาตัวให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่กะนั้นก็ตายเรียบเห็นมีเหลือเลยนะในพรานทั้งหลายก็คว้าไปกินหมดนะเพราะในโลกของสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่การเบียดเบียนกันมีแต่การถ้าหากว่าในพรานไม่ฆ่านะมันก็ฆากันเองอย่างที่ว่าถ้าสมมติามดมันวิ่งไปนะเดี๋ยวกิ้งก่ามันก็มากินหมด กิ้งก่าก็วิ่งวิ่งไปปั๊บนกเอ่อเรียกนกกระปูดมันก็มากินกินกิ้งก่าและไอ้นกตัวใหญ่กว่าที่สุดมันก็มากินนกกระปูดและไอ้นกตัวใหญ่นั้นกว่าเดี๋ยวก็ถูกยิงนั้นก็เป็นองมันก็กินกันเข็นฆ่ากันซึ่งกันและกันวัตตะทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้แหละตัดตัวเล็กๆก็ถูกตัวใหญ่ๆกินไปเนี่ยนะจะตัวใหญ่ขนาดไหนมนุษย์ก็กินเรียบมนุษย์ก็แบ่งอีกนะเอ่อมนุษย์ระดับนั้นนะจะถูกคนระดับสูงอีกแกหาให้ฉันกินนะ อน น, นก็อย่างเงี้ยมันก็ถูกกินกินกันไปเรื่อยไม่รู้ล้าระดับมากอะน น, นวัดตาก็อยู่อย่างนี้แต่ก็แต่ก็เก่งนะทนอยู่กันได้นะอยู่ยังมีความสุขด้วยนะเพราะอะไรเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะสบาย <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีความสุขเดี๋ยวจะดีกว่าวันนี้อะน น, นมีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยจริงหรือเปล่า <c oughs> ไม่จริงอะนะแต่ว่ามันหวังลึกๆไว้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะสบาย เนี่ยนะคอมาก็ยังขึ้นนะเออเดี๋ยวมันก็หายป่วยแล้วเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวคอมันก็จะค่อยๆหายมันคิดมาอย่างนี้เป็นเดือนแล้วนะเดือนสองเดือนเลยนะมันก็ยังไม่หายเนี่ยนะแต่ถ้ามันหายนะ่ยมันจะน่าอัศจรรย์มากก็พูดตั้งวันสี่ห้าชั่วโมงแล้วมันหายได้ยังไงเนี่ยนะมันน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันไม่หายก็หรือเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะก็สัตว์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วก็สรุปว่าการศึกษาการปฏิบัติพระธรรมก็ศึกษาปฏิบัติเพื่อความ เบื่อหนเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับในขันอายตนะและท่าทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนว่าหุ่นยนต์ไม้เป็นของว่างเปล่าไม่มีชีวะตัวหุ่นยนต์นะถ้าไม่มีองค์ประกอบอะไรมันเคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยทั่วไปมันคิดเป็นไหมคิดไม่เป็นแต่ถึงกระนั้นก็เดินได้ยืนได้ ด้วยอำนาจของการประกอบเข้าด้วยกันแห่งไม้และเชือกปรากฏเหมือนมันมีความคิดอย่างหุ่นยนต์พวกคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายเหมือนมันคิดเองเป็นใช่ไหมเหมือนมันมีความคิดเหมือนมันมีความผ้าความเพียรพยายามฉันใดนามรูปนี้ก็เป็นของว่างเปล่าตัวรูปเนี่ยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยไม่มีชีวะแบบคนผ่านคิดขึ้นแต่มีชีวิตตินรีประกอบอ น, นะแต่หมายความว่ามันไม่มีชีวะแบบ แบบพวกคนพานคิดอ่ะนะเพราะฉะนั้นตัวรูปเนี่ยไม่มีความคิดตัวนามก็คิดแต่ก็อาศัยปัจจัยจชงคิดเมื่อทำกิจคิดแล้วก็หมดไปอาศัยปัใจจัยใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ไปไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตัวนามรูปเป็นอย่างนั้นนามรูปที่เดินได้ยืนได้ก็ด้วยการประกอบเข้าพร้อมแห่งปัจจัยเช่นเราเดินได้นี่เพราะอะไรสมมติจิตคิดจะเดินเกิดขึ้น จิตอันนั้นก็แผ่จิตตชาวายโยธาตก็ทําให้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวทําให้เดินไปได้เนี่ยนะทำให้เป็นไปได้จิตจิตตชาวายโยก็แผ่กายนี้อันประกอบด้วยมหาผู้ที่เกิดจากสมุทรามทั้งสี่ขับเคลื่อนพาไปได้ไปที่ไหนามาไหนก็ลเลยพาไปไหว้พระธาตุมาได้อย่างเงี้ยนะก็อาศัยอะไรจิตจิตตชาวายโยแผ่ไปก็เลยไปก้มไปเงยกราบพระธาตุให้อาหารปลาไป แล้วก็พามาฟังธ ร, รมต่อไปอีกนะจิตเป็นปัจจัยแก่จิตชาวายโยชาติโครงร่างกายโครงกระดูกเป็นต้นก็ขยับเขยื่อนเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าในโลกนี้นามและรูปเท่านั้นมีอยู่โดยเป็นของจริงก็นามและรูปนี้หามีสัตว์หรือว่ามีคนอยู่ไหมนามและรูปนี้เป็นของว่างเปล่า คือว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนหุ่นยนต์เป็นเพียงกองทุกขเป็นเหมือนกองทุกจริงจริงเหมือนอะไรเหมือนกองหญ้ากองไม้กองหญ้าที่เอามากองกองกันไว้นะหรือกองไม้ที่เอามากองกองเพื่อที่จะเผาฟืนหรือโรงงานไม้อะนะมันเป็นกองกันขึ้นกองทุกจริงจริงทุกทั้งหลายนะมากองอยู่ที่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะเชื่อนะ กองมันกองมากหรือกองน้อยก็ไม่รู้แต่คิดเอากันแล้วกันว่าทุกคนเนี่ยถ้าเคยหันกลับมาดูสงสารตัวเองสักนิดนะอุ้ ย, ยแต่ละคนเนี่ยแบกกองทุกกองเบิ่มเลยนะอย่างน้อยคนละกี่กิโลดีเฟิร์ตมาหรือป่าอย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบกิโลนะแบกไปเหอะเนี่ยนะดูแลไปบํารุงไปแล้วถามว่ามันดูแ ล, ด, แลดูแลง่ายไหมล่ะดูแลยากยากเนี่ยนะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็โอุย้ยสารพัดนั่นแหละ มันเป็นกองทุกที่ต้องบริหารกันไม่รู้จักจบจักสิน้นคิดอะไรมากเหมือนกับปากท้องของเราเนี่ยนะโอ้ยบริหารกินให้วันลังตั้งหลายรอบหาโน่นหานี่กินไปเรื่อยนะขนาดนั้นมันก็ยังไม่รู้จักพอไม่รู้จักเสร็จไม่รู้จักสิน้นไม่มีพอจริงๆเลยก็บัณฑิตไม่ควรทํานามรูปนี้ให้แจมแจ้งด้วยอุปมาด้วยหุ่นยนต์แม้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะนะก็อุปมาเกี่ยวกับเรื่องนามรูปก็ให้อุปมาหลายๆอย่างก็ได้ ควรทําให้อุปมาให้แจ่มแจ้งอื่นๆมีมัดไม้อ้อเป็นต้นเช่นเหมือนอย่างว่ามัดไม้อ้อสองมัดตั้งพิงซึ่งกันและกันอยู่มัดหนึ่งย่อมค้ําอีกมัดหนึ่งเอาไว้เมื่อมัดหนึ่งล้อมอีกมัดหนึ่งนอกนี้ไม่เมื่อมัดหนึ่งล้มอีกมัดหนึ่งนอกนี้ก็ต้องล้มไปด้วยแม้ฉันใดในปัญจโวการะ พ, พบที่มีขันห้านามและรูปย่อมเป็นไปอาศัยกันและกัน อย่างหนึ่งค้ำจุนอย่างหนึ่งเอาไว้เมื่ออย่างหนึ่งล้มไปเกี่ยวกับว่าด้วยความตายอีกอย่างหนึ่งก็ย่อมล้มไปด้วยเช่นถ้ารูปแตกทำลายเสียหายไปเนี่ยนะนามก็จะต้องแตกทำลายเสียหายไปด้วยเช่นอย่างว่าคนนี้เนี่ยโดยบุญโดยกรรมเนี่ยนามมาทำทั้งหลายจะต้องมีอายุถึงเก้าสิบปีะนะสมมตินะโดยโดยพวังคจิตต้องสืบเนื่องประมาณเก้าสิบปีแต่รถเมยกับรถเมยชนกันโครมเนี่ยนะ เละไปครึ่งตัวไปหมดเลยนะถามว่ารูปเนี่ยเละไปหมดแล้วเนี่ยนะปฏิสนธิผวังคจิตจะต้องสืบเนื่องได้เก้าสิบปีไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารูปแตกทําลายก็พานา ม, มแตกทําลายไปได้ไอ้คนนี้ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากอายุเพิ่งยี่สิบเองแ่ะนะตามโครงสร้างของรูปร่างกายอยู่ได้ถึงแปดสิบยังไงนะจุติจิตทํากิจเศร้ารูปจะเป็นไปได้แข็งแรงไปจนถึงวันนั้นไหมไม่ เพราะฉะนั้นถ้านามมาทําแตกทําลายรูปก็เสียหายถ้ารูปเสียหายนามก็แตกทําลายเ น, นี่ยนะเพราะแต่ละอย่างมันมันพึ่งพิงกันอ่ะนะคือไม้อ้อเนี่ยมันเป็นไม้ผุผูกนะไม้ผุผูกมาตั้งชนกันอะไรจะเกิดขึ้นไม้ผุอีกอันหนึ่งล้มอีกอันหนึ่งก็ต้องล้มนามรูปก็เป็นของที่ผุพังลักษณะเดียวกันเมื่ออันหนึ่งแตกทําลายอีกอันหนึ่งก็ต้องแตกทําลายก็นามและรูปเป็นของคู่กันทําทั้งสองอาศัายกันและกันเมื่ออย่างหนึ่งแตกดับก็ย่อม แตกไปทั้งสองอย่างเป็นไปตามปัจจัยเหมือนอย่างว่าเมื่อเสียงเป็นไปเพราะอาศัยกลองที่คนใช้ไม้ตีกลองเสียงกลองที่ถูกไม้ตีดังตึง้งเคยฟังเสียงกลองเพลงไหมลักษณะนั่นแหละกลองก็อย่างหนึ่งเสียงกลองก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม้ตีกลองก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมกลองและเสียงกลองก็ไม่ได้ปะปนกัน กลองก็ว่างจากเสียงกลองเสียงก็ว่างจากตัวกลองที่กลองมีเสียงไหยถ้ามันมีนะอยู่ๆแล้วมันดังขึ้นมาเองได้นะเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่กลองอะ่ะกลองก็ไม่ใช่เสียงแต่ถ้ามีไม้มาข้อปั๊บเสียงก็เกิดจากกลองเพราะกลองนี่เป็นตัดัยแห่งเสียงนี่ก็เหมือนกันเมื่อนำเป็นไปเพราะอาศัยรูปที่นับว่าเป็นรูปนี้เป็นวัตถุ คือหัตยวะวัตถุเป็นต้นอาศัยทวารแล้วก็ต้องอาศัยอารมณ์นามมาทำทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นต้องอาศัยวัตถุทวารและอารมณ์รูปก็อย่างหนึ่งน้ําก็เป็นอย่างหนึ่งนามและรูปมีได้ปะปนกันนามก็ว่างจากรูปรูปก็ว่างจากนามฉะนั้นก็แต่ว่านามย่อมเป็นไปได้เพราะอาศัยรูปดุดเสียงเป็นไปได้เพราะอาศัยกลองฉะนั้นเพรา ะ, ะความคิดนะบางทีมันคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมถ้ารูป ป่วยไข้กระสอบ ก, กระแสร็จไปหมดเนี่ยนะไม่รู้ชาวนาจิตมันหายไปไหนหมดสติปัญญาไม่รู้หายไปไหนหมดเพรา ะ, ะนา ม, มาทำทั้งหลายโลกของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอาศัยรูปเป็นไปถ้ารูปเสียหายะนะนามก็เลยเสียหายเช่นกระทบกระเทือนทางร่างกายทําให้จิตใจก็เสียหายไปด้วยจิตใจก็เป็นอื่นไปด้วยเลยพร้อมที่จะแปรเปลี่ยนเป็นอื่น ทางธรรมะเนี่ยนะท่านถือนามทั้งหลายเนี่ยโดยมากทั่วๆไปก็ยกห้าอย่างนะภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตห้าคำนี่นะเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นของสาธารณะเนี่ยนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาและจิตคือมีจิตเป็นที่ห้าหรือขึ้นต้นด้วยภาษาจนะเรียกภาษาเป็นที่ห้าก็ได้บอกว่าทำทั้งหลายมีภาษาเป็นที่ห้าจะเกิดมาจากตาก็หาไม่ จะเกิดมาจากรูปก็หาไม่ทั้งจะเกิดอยู่ในระหว่างตาระหว่างรูปทั้งสองอย่างก็หาไม่อย่างนั้นไหมจิตเนี่ยเกิดที่ตาเอ่อเกิดเกิดจากตาไหมถ้ามันเกิดจากตาได้นะเวลาหลับมันจะวิ่งออกมาข้างนอกแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะแล้วมันออกมาจากสีใช่ไหมจิตไม่ใช่แล้วมันอยู่ในระหว่างสองตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันตกลงเันยังไง มันเป็นสังคตะธรรมเป็นสังคตะอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนอย่างเมื่อกลองถูกตีเสียงจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลองนี้เหมือนวัตถุอารมณ์ก็เหมือนกับไม้ตีกลองเสียงก็เหมือนกับจิตเมื่อประชุมกันเข้าจิตจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะการเห็นจึงเกิดขึ้นทำทั้งหลายมีภาษะเป็นที่ห้าคือเวทนาสัญญาเจตนาจิตภาษะเนี่ยนะ จะเกิดจากหูก็หาไม่จะเกิดจากเสียงก็หาไม่จะเกิดอยู่ในระหว่างรำทั้งสองก็หาไม่นะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังคตะใช่เป็นสังคตะย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุเหมือนเหมือนเมื่อกลองถูกดีเสียงก็เกิดขึ้นฉันนั้นทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายจนถึงทวารใจก็นยะเดียวกันที่ว่า สังคตะธรรมทั้งหลายไม่ได้เกิดจากวัตถุคือจิตเจตสิกเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากหัตยะวัตถุทั้งไ ม, ไ, ไม่ได้ออกมาจากธรร ม, มายตนะทั้งหลายด้วยสังคต ธ, ธรรมทั้งหลายคือความคิดทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ด, ดุจเมื่อกลองถูกตีเสียงก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยอันหนึ่งในนามและรูปนี้นามไม่มีเดช ไม่อาจเป็นไปได้ right ด้วยเดชของตนคือนามนะให้น้มกินเองได้ไหมดื่มก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเองก็ไม่ได้แม้รูปก็ไม่มีเดชรูปก็ไม่เป็นไปด้วยอำนาจเดชของตนเพราะว่ารูปนั้นไม่มีความต้องการจะกินทั้งไม่มีความต้องการจะดื่มไม่มีความต้องการจะพูดไม่ม nah, ีความต้องการจะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถว่ารูปก็ต้องย่อมอาศัยนามเป็นไปน้าก็อาศัยรูปเป็นไป ก็านามเมื่อมีความต้องการจะกินเมื่อมีความต้องการจะเดิ่มเมื่อมีความต้องการจะพูดเมื่อมีความต้องการจะผัดเปลี่ยนอิริยาบถรูปกับกินรูปกระดื่มรูปจึงพูดผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไปตามความประสงค์ของนามแต่ขณะเดียวกันนะถ้าลองตัวใดตัวหนึ่งงอแ ง, เ, งเข้าสิเออท่านามงอแ ง, งนะรูปก็แย่เหมือนกันทำไมกายเนี่ยมันต้องการอาหารจิตมันบอกยั ang, yang, ้งยั้งไม่ต้องกินหรอกเลยอดเลยรูปก็หิวหิวไปทีนี้ถ้าหากว่า รูปบอกว่ า, าสมมตินามเนี่ยบอกอ้ยอยากกินมากเนี่ยนะแต่รูปบอกลุกไม่ไหวแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปกินแล้อย่างเงี้นเนะเคี่ยวไม่ไหวแล้วเป็นต้นเนี่ยเพราะนามอยากแกก็อยากไปสิกินให้แกไม่ได้อะเพราะฉะถ้าเกิดตัวใดตัวหนึง่งงอแ ง, ง, ง, งเข้าก็ยุ่งเหมือนกันนะนามรูปเนี่ยเพื่อประโยชน์แกการทำความข้อนี้ให้แจ่มแจ้งอาจารย์ทั้งหลายจึงอุปมายกอุปมา ข, ขึ้นมาอ้าง คือเหมือนอย่างว่าคนบอดแต่กำเนิดและคนง่อยเป็นผู้ต้องการจะไปสู่ทิศทั้งหลายคนบอดแต่กำเนิดจึงพูดกับคนง่อยอย่างนี้ว่านี่แหนนายเรานี่อาจจะใช้เท้าทำการงานที่ต้องใช้เท้าทำได้อยู่หรอกแต่เมื่อเราแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีตาที่จะใช้มองดูที่เรียบที่ครุขระดังนี้แม้คนง่อยก็บอกกับคนบอด แต่กําเนิดอย่างนี้ว่านี่ไง น, นายเราอาจจะใช้ตาทำการงานที่ต้องใช้ตาทำได้อยู่หรอกแต่ว่าเราไม่มีเท้าที่จะใช้ก้าวไปหรือจะถอยกลับมาคนบอดแต่กําเนิดก็ดีใจนะบันเทิงร่าเริงก็เลยจับให้คนง่อยแบกไว้บนบ่าคนง่อยก็นั่งบนบาแล้วก็ของคนตาบอดแต่กําเนิดแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าจงเลี้ยง น, นะจงเลี้ยงอันนะนี้ซ้ายนี้ขวาถอยเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยทําตามอย่างที่คน อะไรเนะี่ยไอ้ไงแนะนำไอ้คนบอร์ดก็เ อ, เอาเอาใหญ่เลยทําตามที่ไอ้คนง่อยแนะนําคนง้อยก็สั่งเอาสั่งเอาเนี่ยนะ <c oughs> ในสองคนนั้นแม้คนบอดแต่กําเนิดก็เป็นคนไม่มีเดชสามกำลังจะไปด้วยเดชของตนด้วยกําลังของตนก็ไม่ได้แม้คนง่อยก็เป็นคนไม่มีเดชสามกำลังจะไปด้วยกําลังของตนด้วยกําลังของตนก็ไม่ได้แต่ว่าทั้งสองคนนั้นได้อาศัยกันและกันยังหายังหาการไป ไม่ได้อีกย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันใดหมายคาอว่าถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งเป็นไปได้ไหมเลิกเลยนะจบกันเหมือนกันก็นามเป็นของไม่มีเดชจะเกิดขึ้นด้วยเดชของตนก็ไม่ได้จะเป็นไปในอิริยากิริยาทั้งหลายมีการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ไม่ได้แม้รูปก็เป็นของไม่มีเดชจะเกิดขึ้นด้วยเดชของตนก็ไม่ได้จะเป็นไปในกิริยาทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นก็ไม่ได้ แต่ว่านามและรูปทั้งสองนั้นได้อาศัยกันและกันแล้วยังหาความเกิดขึ้นไม่ได้อีกยังหาความเป็นไปไมิได้อีกก็หามิได้ฉันนั้นคือหมายคำว่าเวลาเขาจะทําอะไรนะเขาต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมของเป็นของควบคู่กันไปเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวคํานี้ไว้ว่าสังคตะธรรมทั้งหลายปกติแล้วตนเองสามกําลังเป็นไปด้วยอํานาจแห่งธรรมอื่นจะเกิดขึ้นด้วยกําลังของตนก็ ก็ไม่ได้ทั้งจะตั้งอยู่ด้วยกําลังของตนก็ไม่ได้แต่ว่าจะเกิดได้เพราะมีธรรมอื่นเป็นปัจจัยเช่นรูปใช่ไหรูปเนี่ยจะตั้งอยู่ได้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีธรรมอื่นเป็นปัจจัยตั้งขึ้นได้เพราะมีธรรมอื่นเป็นอารมณ์อันนี้เป็นนามก็มีธรรมอื่นเป็นปัจจัยนี้เป็นชื่อของรูปมีธรรมอื่นเป็นอารมณ์เป็นชื่อของนามก็สังคตะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อม ถูกธรรมะอื่นอันเป็นอารมณ์และเป็นปัจจัยทําให้เกิดขึ้นเปรียบเหมือนว่าคนทั้งหลายอาศัยเรือจึงไปในทะเลได้ฉันใดนามกายอาศัยรูปจึงเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนเรือเรือพึ่งคนคนพึ่งเรือก็เป็นไปด้วยกันเรืออาศัยคนจึงไปในทะเลได้ฉันใดรูปอาศัยนามจึงเป็นไปได้ฉันนั้น คนและเรือทั้งสองอาศัยกันและกันไปในทะเลได้ฉันใดนามและรูปทั้งสองต่างอาศัยกันและกันเป็นไปได้ก็ฉันนั้นการเห็นนามรูปตามความเป็นจริงที่ครอบงำความสําคัญว่าสัตว์มีตั้งอยู่ในภูมิแห่งอสัมโมหะของพระโยคาวจรผู้กําหนดพิจารณาแยกแยะนามรูปโดยนัยทั้งหลายต่างๆกัน ต, ต, ต, ตามประการดังกล่าวมานี้ ใครที่ทำได้อย่างนี้ชื่อว่ามีทิฏวิสุทธิมีความเห็นที่บริสุทธิ์คำว่านามรูปวัฏฐานการกำหนดนามรูปสังขารปริเฉศการกำหนดสังขารก็เป็นชื่อของยานที่เห็นนามรูปตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละเนี่ยนะก็โดยหลักการที่เราฟังมาถือว่าฟังมาสองวันเต็มในการพิจารณานามรูปหรือทิิทวิสุทธิการกาหนดพิจารวิเคราะห์ วิจัยกําหนดจนํา แ, แ, แ, แ, แ, แ, แ, แนกแจกแจงแยกเยะนามรูปทั้งโดยผู้ที่เป็นสมถญาณิกะหรือผู้ที่กําหนดทา่าโดยพิสดารกําหนดทาสิบแปดกหนดอายตนะสิบสองกำหนดขันห้าหรือโดยย่อแบบนามรูปหรือโดยอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุบาทแล้วก็เอาความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เอามาพิจารณาไครครวนในอารมณ์ทุกอย่างโดยประการทั้งปวง ท่านบอกว่าปริเชตที่18เนี่ยนะตามวิสุทธิมักเนี่ยปริเชนี้ถือว่าเป็นปริเชตที่สิชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในวิสุทธิมักที่ข้าพเจ้าแต่งเพื่อความปราโมทเพราะปราโมทเป็นเหตุใกล้แห่ง<ด><ๆ>ปีติปีติเป็นเหตุใกล้แห่งปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นเหตุใกล้แห่งสุขสุขเป็นเหตุใกล้แหง่งสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุใกล้แห่งการรู้เห็นตามความเป็นจริง ว่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าด้วยเหตุผลเหล่านี้ท่านจึงเรียบเรียงเป็นข้อปฏิบัติเหล่านี้เพื่อความเจริญของเราทั้งหลายเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งเป็นรถอีกผลัดหนึ่งที่จะช่วยให้ใกล้กระชั้นชิดในการรู้แจ้งแทงตลอดมรรคผลนิพพานสา ม, มารถที่จะตรัสรู้ธรรมะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันก็วันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุมโมกับอนุมโมทนากับทุกท่านขอให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดําเนินตามวิสุทธิ์ทิฏเจประการข้ามโอฆสองสารโดยทุกคนทุกท่านขออนุมโมทนา